บทที่7นางะอิ้งวันพระเวลาบ่ายโมงพระเจริญกำลังสอนกรรมฐานให้ญาติโยมอยู่ที่ศาลาหลังเก่าที่เทวดาบอกว่าแม่ชีก้อนทองว่าต่อไปจะถูกลือ้อแล้วสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคา8ล้านเนื่องจากว่าพลฤดูทำนาญาติโยมจึงมาเข้ากรรมฐานกันมากขึ้นเดินจงกรม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 ตายายสอนหลานได้ดีเหลือเกินครั้นแล้วคนที่เป็นตาก็กล่าวแนะนำตัวเองว่าผมชื่อในปุ่นอายุ78มากับภรรยาเก่าและก็ภรรยาใหม่อ๋อมีภรรยาใหม่หรอกหรืออาตมานึกว่าหลานสาวพระเจริญพูดขึ้นท่านคิดว่าสาวรุ่นนี้เป็นหลานสาวในปุ่นเหมือนกับที่ญาติโยมคิด ฟังในปุ่นบอกกล่าวพวกโยมผู้ชายพากันคิดในใจว่าลุงคุณนี้เก่งเหลือเกินแกแล้วยังได้สาวขบเพาะมาเป็นเมียแต่โยมผู้หญิงคิดว่าตาเท่าหัวงูแกแล้วยังไม่เจียมสังขารเอาเด็กสาวลุ่นหลานมาทำเมียไม่ใช่หลานสาวหรอกครับเขาเป็นเมียเก่าของผมอายุสิบป่าส่วนเมียใหม่คือ คนที่อายุ72นายปุลชี้แจงคราวนี้ทั้งโยมชายโยมหญิงทั้งพระต่างคิดตรงกันว่าสงสัยตาคนนี้แก่จนหลงถึงได้พูดจาเลอะเลือนเลื่อนเปลื่ น, นถึงปานนั้นเสียงโยมผู้ชายถามขึ้นว่าลุงบอกใหม่สิคนไหนเป็นเมียเก่าคนไหนเป็นเมียใหม่กันแน่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 แล้วเขาจึงอธิบายว่าแม่ไสอิงเป็นภรยาเก่าของผมในชาติที่แล้วถ้าเขายังอยู่ก็อายุ75แต่เขาตายไปเมื่อปี2464ก็36ปีมาแล้วเขาบอกไปตกนรก20สปีแล้วก็มาเกิดใหม่ตอนนี้อายุ15ได้ฟังนายปุ่นพูดเช่นนั้นทุกคนหูพึง เพราะอยากรู้เรื่องเมืองนรกมานานแล้วเสียงนังแต้มถามขึ้นว่าเมืองนรกมีจริงหรือหนูและทําไมหนูถึงไปตกนรกละ่ะพระหนูทํากรรมชั่วลามกนสิจานะนะชาติที่แล้วหนูเป็นคนใจบาปหยาบช้าขี้ลักขี้ขโมยไปบ้านไหนต้องลักข้าวของเขาติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้งแต่ไม่มีใครสงสัย เพราะว่าเห็นหนูเป็นเมียพี่ปุ่นพี่ปุ่นเขาก็ดีกับหนูละเกินถ้าไม่ได้เขาช่วยหนูคงไม่ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เร็วอย่างนี้เพราะว่าโยมาบาลเขาคาดโทษไว้ว่าหนูจะต้องอยู่ในนรกถึงร้อยปีแต่เพราะว่าพี่ปุ่นเขาช่วยจึงได้ไปตกนรกแค่ยี่สิบปีหลอนเล่าความเป็นมาแล้วหันไปมองสามีในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความรักใคร่และกะตัญญูรู้คุณโยมผู้ชายนึกอิจฉาบุรุษสูงวัยที่สาวน้อยคราวหลานเรียกเขาพี่แทนที่จะเรียกว่าตาหนูไปลักของอะไรเขาล่ะถึงได้ตกนรกตั้งร้อยปีพระเจริญถามรู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาเพราะท่านเองสมัยเมื่อเป็นเด็กก็ลักเงินยายเป็นประจำ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 ลูกเก่าสี่คนนั่งท่องคําเล่าแค่ลักพริกหอมกระเทียมก็ต้องตกนรกถึงร้อยปีเชลรึสมภารวัดป่ามะม่วงถามหากเป็นเช่นนั้นจริงท่านเห็นจะต้องตกนรกนานกว่านางสะอิ่งเป็นแน่ มีมากกว่านั้นจ้าหลวงพอ่อหนูเป็นขมโมยที่โชคดีมากคือลักของคนอื่นแต่ไม่มีใครสงสยัยหนูก็เลยได้ใจทําความชั่วมากขึ้นคนที่โชคดีในการทําชั่วนั้นแท้จริงและเป็นคนโชคร้ายที่สุดอย่างเช่นครั้งหนึ่งหลานชายพี่ปุ่นเข้าบวชหนูก็ไปช่วยงานเขาแล้วก็ไปลักเอาทองบ้านงานมา เป็นสายสร้อยทองหนักสี่บาทซึ่งเขาเตรียมไว้ให้นาคใส่ในวันแห่รอบโบสพอสร้อยหายคนเขาก็อนละเวงเพราะไม่มีให้นาคใส่หนูก็เลยไปโทษว่าหลานชายพี่ปุ่นขโมยไปเพราะหลานคนนั้นจนกว่าเพื่อนเจ้าของบ้านเขาก็เชื่อหนูพากันไปทุบตีลูกหลานคนนั้นจนหัวร้างข้างแตก ไม่มีใครรู้หรอกว่าคนขโมยสร้อยคือหนูยิ่งไปกว่านั้นที่ยมมาบาลบอกว่าหนูบาปมากก็คือไปลักข้าวเข้าไม่มีผู้ใดสังเกตว่าพระเจริญสะดุ้งนิดหนึง่งเมื่อนางเสิ่งเล่ามาถึงตอนนี้รักมากไหมคนเป็นพระถามสาวน้อยวัยสิบาคือหนูไม่ได้ลักเองหรอกจ่าหลวงพ่อแต่ใช้ลูกจ้างไปลัก หนูมีลูกจ้างห้าคนมาจากภาคอีสานมาช่วยทานาได้ค่าจ้างคนละยี่สิบบาทต่อปีสมัยนั้นข้าวเกวียนละ40ิบาทจ้ะ่อนอธิบายและยอมปุ่นไม่รู้ห ร, อหรือท่านถามบุรุษวัย78ไม่รู้เลยครับท่านผมอยู่บ้านให้แม่สีอิงเข้าไปเฝ้าโรงนากับลูกจ้างเขาขยันขันแข็ง ทำงานตัวเป็นเกลียวในความรู้สึกของผมเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากคนหนึ่งมุรุษวัย78กราบเรียนพี่ปุ่นไม่รู้หรอกจะหลงพ่อพอหน้าเกี่ยวข้าวหนูก็จะไปคุมลูกจ้างอยู่ที่โรงนานอนที่กระท่อมในนาเลยเพราะอยู่ไกลจากบ้านระหว่างที่อยู่นาก็จะใช้ลูกจ้างไปลักข้าวในนาของคนอื่น ที่เขาเกี่ยวแล้วมัดเป็นฟ้อนๆเตรียมขนเข้าลานหนูทำอย่างนี้ทุกปีโดยไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะหนูไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงยิ่งเรื่องนรกสวรรค์หนูยิ่งไม่เชื่อใหญ่พอไปตกนรกจึงได้รู้ทีนี้ใครจะมาบอกว่านรกไม่มีหนูขอเถียงใจขาดเลยเพราะได้ไปอยู่มาแล้วยี่สิบปี หนูเป็นอะไรตายละ่ะนางโถถามออกลูกตายจักตายทั้งกรมตอนอายุ39คือหนูมีลูกสี่คนอายุห่างกันคนละปีตอนท้องคนที่ห้านั้นคนโตอายุ16หคนเล็กอายุ13บหนูก็คิดว่าคงหมดและจูดจุก็ท้องขึ้นอีกแล้วไม่รู้เป็นยังไงพอตั้งท้องลูกคนเนี้ย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 วันหนึ่งก็เกิดความกลัวว่าลูกจ้างห้าคนจะลักทองไปจึงใช้ลูกจ้างไปขโมยข้าวในนาคนอื่นและหนูก็แอบเอาทองไปฝังไว้ที่ใต้ต้นกระทุ่งคืนนั้นก็เกิดปวดท้องจะคลอดลูกก็ให้ลูกจ้างสองคนมาตามพี่ปุ่นไปโรงนาพี่ปุ่นเดินมายังไม่ทันถึงหนูก็ตายเสียก่อนตายปุ๊บก็ไปเกิดที่เมืองนรกเลยหรือ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 พี่ปุณเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พี่ปุนช่วยเล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยว่าตอนฉันตายนะ่ะพี่ทำอะไรบ้างสาวน้อยวัยสิบห้าบอกสามีวัย78ดดผมก็คิดถึงเมียและก็ลูกมากเพราะตอนนั้นลูกชายคนเล็กอายุส3าก็โตแล้วพอรู้ว่าจะได้ลูกเล็กๆอีกผมก็ดีใจในเมื่อมาตายทั้งลูกทั้งแม่อย่างเนี้ย ผมก็เศร้าโกศกเสียใจมากจึงทำบุญเป็นการใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เมีย ER และลูกเขานั่งนิ่งไปครู่หนึ่งนึกถึงความเศร้าโกศกเสียใจเมื่อ36ปีก่อนแล้วจึงเล่าต่อเมื่อนวดข้าวเสร็จ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 จึงย้ายมาอยู่เรือนปัญญาที่เคยอยู่กับพ่อแม่ต่อมาจึงรือ้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาอีกเป็นครั้งที่สองก็ยังไม่หายโศกเศร้าจึงไปปรึกษากับสมภานวัดเพื่อขอบวชซักหนึ่งพรรษาก่อนแต่งงานกับแม่ะอิ้งผมเคยบวชมาแล้ว 3, สามพรรษาทำวัดเช้าเย็นได้สวดปฏิโมกได้ แต่ไม่เคยเจริญวิปัสนากรรมฐานศึกออกมาแต่งงานแล้วผมก็ทำวัดสวดมนต์ทุกวันแม่ซีอิงเขาสวดมนต์ไม่เป็นผมก็สวดเผื่อเขาเพราะรักเขามากเมื่อชาติที่แล้วหนูสวดมนต์ไม่เป็นหรอกจ้ะหลวงพ่อโยโซภควาก็สวดไม่ได้พี่ปุ่นเขาสวดทุกวันจนหนูรำคาญแต่ไม่กล้าว่าอะไรเขาพอไปตกนรก ต้องทำวัดสวดมนตทุกวันโกนวันพระและโยมาบาลเขาก็ให้หนูเป็นคนนำด้วยก็เลยสวดเป็นไปเป็นเอาที่เมืองนรกสาวน้อยเล่าอย่างไม่ปิดบังอําพลางครับเดี๋ยวนี้แม่ซสีอิ่งเขาสวดมนต์เก่งเมื่อชาติที่แล้ว เขาก็ไม่เคยสวดมนต์เลยในปุ่นรับรองคำพูดของภรยาเก่าและสมภารท่านว่าอย่างไรบ้างโยมผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นท่านก็แนะนำว่าไม่ต้องสวดปฏิโมกแต่ให้ถือธุดงคขวัดปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าช้าฉันอาหารเวลาเดียวผมปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตลอดพรรษา แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ใส่อิงออกพรรษาผมก็ศึกใจคอสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากในเวลาต่อมาพ่อผมก็ได้ไปสู่ขอแม่ทองคำมาให้เป็นภรรยาผมตอนแรกพ่อแม่เขาก็จะไม่ยอมยกให้แต่ในที่สุดพ่อผมก็พูดเคลียกล่อมจนเขายอมตกลงผมก็เลยมีลูกกับแม่ทองคำอีกห้าคน เวลานี้โตเป็นผู้ใหญ่ออกเย้าออกเรือนกันไปหมดแล้วลูกชายคนโตซึ่งเกิดกับแม่ะอิ้งก็อายุห้าสิบสองแล้วครับแล้วในเมืองนรกเป็นอย่างไรละจ้าหนูสมภารวัดป่ามะม่วงถามภรรยาเก่าของในปุลห น, นูรู้หมดเลยจ้าหลวงพ่อพระยมบาลเขาคอยบอกอยู่ตลอดเวลาเช่นตอนที่พี่ปุลเขานำข้าวเปลือกไปก่อพระเจดีย์ ยมบาลก็บอกว่าเขาลดโทษให้ยี่สิปีเหลือ8ปสิปีตอนรื้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายวัดเขาก็ลดให้อีกยี่สิบปีเหลือห0สิปีโยมบาลบอกอีกว่าตอนถวายกุฏิมีงานฉลองด้วยพี่ปุ่นจ้างหมอลำและก็หนังตลงมาเล่นจริงอย่างที่โยมบาลพูดหรือเปล่าละโยมพระเจริญถามจริงครับท่าน ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อคิดว่าเขามาหลอกเอาสมบัตินายปุ่นตอบเล่าต่อสิหนูฉันอยากฟังนางแต้มบอกเด็กสาวหล่อนจึงเล่าว่าพอพี่ปุ่นบวชโย ม, มาบาลก็บอกอีกว่าสามีเธอได้บวชในพระศาสนาและได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นกุศลสูงสุด จึงลดโทษให้เธออีกส0สิปีที่เหลืออีกยี่สิปีนั้นนะ่ะอภัยให้ไม่ได้เพราะเธอมีโทษหนักสองประการคือลักทองแล้วก็โยนความผิดไปให้ผู้อื่นเป็นเหตุให้ก็ต้องถูกทุบตีได้รับทุกขเวทนา 2. ลักข้าวขโมยแม่พระโพศกบาปมากอภัยให้ไม่ได้ คราวนี้คนเป็นพระรู้สึกเสียวา่าก็ไปถึงหัวใจเมื่อระลึกถึงบาปกรรมที่ทาตอนเป็นเด็กท่านเก็บข้าวตกในนาแข่งกับนางเมามานดาเด็กหญิงมาลิซึ่งตอนนั้นยังญาติดีกันอยู่ท่านถามนางเมา ว, ว่านาเก็บข้าวตกได้วันละเท่าไหร่วันละกระเพียงแล้วเองละ่ะนางเมาย้อนถามวันละสิบกว่าถัง ทำไมได้มากนักล่ะบอกข้ามั่งสิจะยากอะไรล่ะนะก็เอาไอ้ที่ข้ามัดไว้เป็นฟ่อนฟนนะสิเอาใส่กระสอบเลยข้าไม่เอาเดือรอกกลัวตกนรกลักพระแม่โพศพต้องตกนรกนรกมีที่ไหนกันล่ะนะอย่าเซอร์นักเลยโยมบาลก็บอกว่าที่เหลือยี่สิปีหนูจะต้องชดใช้ อภัยให้ไม่ได้หนูจะต้องชดใช้กรรมอยู่ในนรกนั้นพอครบกำหนดโยมาบาลก็บอกว่าถ้าไม่อยากมาตกนรกก็จงอย่า ก, ก่อกรรมทำชั่วและให้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีก2ี่สิปีเพื่อใช้หนี้พี่ปุณต้องให้สัญญาว่าจะปฏิบัติให้ได้สองข้อคือหนึ่งต้องรักษาอุโบสถเศนทุกวันพระสอง ต้องสร้างกุฏิกรรมฐานหนึ่งหลังราคาหนึ่งช่างไม่ขาดไม่เกินหากทำได้สองข้อนี้ก็ไม่ต้องกลับไปเมืองนรกอีกหนูก็ได้ให้สัญญาแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเตี๋ยกับแม่บ้านหนูอยู่ห่างจากบ้านพี่ปุ่นราวๆสองกิโลเมตรเตี๋ยกับแม่ของหนูแต่งงานกันมา15บปีไม่มีบุตรตอนหนูมาเกิดนั้นเตี๋ยอายุห้าสิบปีแม่อายุ40เขาก็ดีใจที่ได้ลูก หนูมาเกิดเป็นลูกคนจีนก็เลยผิวขาวหน้าตาอย่างเนี้ยชาติที่แล้วหนูผิวดำผอมเกรงมีไฟเม็ดเบร์เร่ที่ริมฝีปากยังมีรูปวาดอยู่ที่บ้านพี่ปุนซึ่งเขาให้ช่างมาวาดในวันแต่งงานคนเรานี่ก็แปลกนะจ๊ะหลวงพ่อพ่อมาเกิดใหม่หน่าจะรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมแต่กลับไม่เหมือนทั้งที่เป็นคนคนเดียวกัน แต่ชาต์นี้หนูก็ยังมีฝายอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเพียงแต่ว่าเม็ดเล็กกว่าชาติที่แล้วลอนชี้ให้ดูฝายเม็ดเล็กๆเหนือริมฝีปากข้างซ้ายและหนูระลึกชาติได้ตอนไหนน่งแต้มอยากรู้ตอนอายุได้สิบเอ็ดจาก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 ยิ่งพี่ปุ่นนั้นเขาก็คิดว่าตาแปะกับเมียเสียมสอนลูกเพื่อจะมาเอาสมบัติแต่แม่เอิ่งเขาก็เล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้กระทั่งวันที่ฉันแต่งงานกับพี่ปุ่นแล้วก็มีลูกห้าคนคนไหนเกิดปีอะไรเขาก็รู้ฉันก็ชักจะลังเลพ่อแม่เขาตั้งเชื่อให้ว่าเอาหมวยเล็กเขาก็ไม่ยอมรับ บอกว่าเขาชื่อซสิอิง่งฉันกับพี่ปุณก็ไม่ยอมเชื่อและทำไมตอนนี้ถึงยอมเชื่อละ่ะพระเจริญถามที่ผมยอมเชื่อเขาก็เพราะสายสะพายสองเส้นที่เป็นของมั่นครับคือพ่อเขาถามหาทองมัน่นผมก็บอกไม่รู้ว่าแม่สิอิงเก็บไว้ที่ไหนเขาก็ถามว่าพี่ปุโรงนายังอยู่ไหม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 เขาก็บอกกับพ่อแม่ให้กลับไปอยู่บ้านเขาจะขออยู่กับผมที่นี่เพื่อทดแทนบุญคุณที่ผมช่วยเขาเพอดีแม่ทองคำภรรยาใหม่ของผมเขาไม่ขัดข้องเขาเป็นภรรยาที่ดีมากครับในปุนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมภารวัดป่ามะม่วงถามนางทองคำว่า ถามจริงๆเธอโยมหึงบ้างหรือเปล่าเนี่ยแม้ท่านฉันน่าแก่แล้วคนอายุปูนนี้จะมานั่งหึงกันมันผิดธรรมชาติถ้าฉันยังสาวยังแท่ก็ว่าไปอย่างภรรยาใหม่ของนายปุ่นตอบแล้วนึกยังไงมาวัดนี้ใครแนะนำมาอัตมา ย, ยังไม่รู้เลยว่ายโยมมาจากที่ไหนคุยกันตั้งนาน ในปุ่นจึงตอบว่ามาจากปากน้ำโพครับคือบ้านผมอยู่ท่าตะโกพอแม่เสิ่งเข้ามาอยู่ด้วยเราสามคนคือผมแม่เอิ่งและแม่ทองคำก็ปรึกษากันว่าจะไปสร้างกุฏิกรรมฐานที่วัดไหนดีก็เลยพากันลงเรือล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาล่องมาเรื่อยก็ไม่เจอวัดที่ เขาจะสร้างกุฏิกรรมฐานพอดีมาถึงอินบุรีก็พบกับชายคนหนึ่งชื่อหล่อเขาบอกเขาเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งแต่ท่านอยู่วัดพรมบุรีท่านสอนกรรมฐานด้วยแต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่วัดป่ามะม่วงแล้วผมกับภรรยาก็เลยตามมาที่นี่ล่ะครับ